มีใครอยากจะถามอะไรบ้างถามได้นะวันนี้วันสนทนาธรรมวันฟังธรรมกับวันสนทนาธรรมนวันนี้วันสนทนาธรรมใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้แล้วชาวพุทธเราต้องรู้ว่าพุทธศาสนา สอนอะไรบ้างเราต้องสนใจศึกษาถ้าเราจะได้รู้อะไรเป็นอะไรรู้แล้วเราก็จะได้ทำสิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา ส, สิ่งที่มันเป็นโทษเราก็อย่าไปทำมัน ออนนี้เราไม่รู้กันพระพุทธเจ้าเป็นสตธาเดวมนุษย์สานังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายวาพวกเราก็เป็นเหมือนนักเรียนแต่พวกเราเป็นนักเรียนไม่ไม่ชอบเรียนกันไม่ชอบรู้กันไม่สนใจที่จะศึกษากัน สนใจจะเอาอย่างเดียวอยากได้นูน่นอยากได้นี่แต่ไม่ศึกษาว่าวิธีจะได้ได้อย่างไรส่วนใหญ่จะไปได้ความทุกข์กันอยากได้ความสุขความเจริญกันมาหาพระให้พระสวดให้แล้วคิดว่าได้แล้วขอพระให้พร อ, อายุวันโนสุ ข, ขัังพลังดีใจกลับบ้านได้นะ มันนี้พระให้บุญให้ให้ความให้พอแนละ้วอันนี้ใครๆก็ให้ได้ไม่ต้องเป็นพระก็ให้ได้พวกเราไปติดที่พิธีกรรมไม่ได้ไปติดที่ตัวธรรมตัวความรู้ไม่สนใจไปติดอยู่กับพิธีกรรม ทำบุญแล้วก็กวดน้ำเอาน้ำเทให้กันโดยที่ไม่รู้ว่าทำอะไรเพราะเราไม่สนใจศึกษากันต่างชาติเขารู้ศาสนาพุทธมากกว่าพวกเราคนไทยรู้กัน พวต่างชาติเขาสนใจเขาศึกษาเขาอ่านคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ปฏิบัติตามจนทำให้เขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยมาบวชที่เมืองไทยมาปฏิบัติที่เมืองไทยเพราะที่ต่างประเทศไม่มีวัดวัดป่าวัดปฏิบัติ วัดที่ต่างประเทศก็เป็นวัดพิธีกรรมส่วนใหญ่ที่ไปตั้งวัดกันในต่างประเทศก็เป็นวัดทําพิธีกรรมอาญาโยมรับพรกันวันเกิดก็นิ ม, มนต์พระไปฉันที่บ้านเปิดร้านใหม่ก็นิ ม, มนต์พระไปเปิดร้านไปเจิมป้ายไปเอาน้ำมนต์สาดน้ำมนต์แล้วก็ให้พระสวด ก็ได้บุญแล้วได้ความสุขความเจริญแล้วก็ได้เท่านั้นมันก็เลยทำให้ศาสนาไม่มีคุณค่าไปเพราะในสายตาของคนที่เขาเขาที่ไม่เชื่อเขาก็ดูว่าเหม็นมีอะไรเอาน้ำมาสาดสาดเอาพลามานั่งร้องเพลงสวดประสานเสียงกัน เขาก็มีอยู่ศาสนาเขาก็มีเขาก็เข้าบวทร้องเพลงกันมันก็ไม่เห็นได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนเดิมความทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆความวิตกกังวลความหวาดกลัวยังมีอยู่เหมือนเดิม พอเข้าไปไม่ถึงแก่นได้แต่เปลือกเหมือนกินเปลือกทุเรียนไม่ได้เครกินเนื้อก็เลยไปว่าทุเรียนไม่อร่อยคนไม่เคยกินเนื้อทุเรียนกินแต่เปลือกเปลือกมันจะอร่อยตังไหีแต่น้ำพอไม่ยอมแกะเปลือกออกกันขี้เกียจได้ทุเรียนมาก็กินที่เปลือกมาเลยคิดว่านี่ก็คือ ผลทุเรียนผลที่เรียนอยู่ที่เปลือกอะไรอย้นเจอพุทธศาสนาก็ก็ใส่บาตรแล้วก็ขอพรนะจบเนีย่ยมาถวายของเสร็จก็ให้พาะให้พรเสร็จก็กลับแนละ้วได้ทุเรียนไปแนละ้วแต่ไม่มาสอนไม่มาศึกษาวิธีแกะทุเรียนเนะี่ยตัว เนื้อทุเรียนมันอยู่ข้างในมันไม่อยู่ที่เปลือกอต่พวกเราชอบกินเปลือกกันะอ่ชอบทําบุญใส่บาตแล้วก็ให้พระสวดให้พรบางคนทําบุญแล้วถ้าพระยังไม่ให้พรก็ยังไม่ไปนะเราให้เราให้พระให้พรก่อนเพราะไม่เพราะคิดว่ายังไม่ได้บุญไงทำบุญแล้ว ย, ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้บุญแล้ว ต้องรอให้พระสวดก่อนให้พรกันถึงถึงจะได้บุญนั่นแหละที่พระสวดก็ให้เปลือกไปตัวเนื้อโยมต้องไปหาเอาเองต้องไปแกะเปลือกออกเข้าใจไหมแต่ไม่รู้จักวิธีแกะก็ต้องรอถามพระดูว่าจะกินเนื้อทุเรียนนี่แกะยังไงแกะทุเรียนนี่แกะได้ยังไง า, า, มาผมก็ขอทำแล้วกันนะฮถ้าจะเริ่มแกะในทุเรียนนะฮะแล้วเริ่มภาวนาเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์แนะนำวิธีกนารก็ต้องศึกษาก่อนเลยศึกษาหนังสือก้อยาวมาอ่านมันจะศึกษาจากพระไตรปิฎกด้วยก่อนจะดีเพราะจะได้ต้นฉบับได้คําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับ แล้วก็เอาคำสอนของพระปฏิบัตินี้มาช่วยขยายอธิบายอีกทีหนึ่ง hmm. ถ้าเราไม่ศึกษาต้นฉบับ hmm. เดี๋ยวเราไปอ่านคำแปลคำสอนของผู้อื่นท่านแปลผิดแปล ถ, ถูกเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะถ้าไปเจอพระที่คนสอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วมาสอนเดี๋ยวเราก็อาจจะหลงไปกับท่านก็ได้ อย่างสมัยนี้บอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันนั่งทำไมนั่งหลับตาแล้วได้อะไรต้องพิจารณาปัญญาเลยแล้วพิจารณาปัญญาแล้วหลุดพ้นกันรด้ยังมันปัญญามีเพื่อดับความทุกข์แต่ถ้าเรา เราใช้ปัญญาแต่เรายังไม่ได้ดับความทุกข์เพราะเราไม่ไปดัเราไม่ไปดับกิเลสเนี่ยคนชอบใช้ปัญญาแต่ไม่ชอบละตันหากันอย่างชอบหาความสุขทางร่างกายกันอยู่ยังชอบหาเงินหาทองกันอยู่ย่างย่อย่งชอบเที่ยวยังชอบเป็นใหญ่เป็นโตกันอยู่ยังชอบให้คน ย, ยกย่องสรรเสริญ ถาปฏิบัติแล้วไม่ละความชอบเหล่านี้มันก็ไม่ไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าใช้ปัญญามันต้องรู้ว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นนทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขความอยากในลาบยศสรรเสริญนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาจริงมันก็ต้องละการหาราบยศสรรเสริญ ละการหารูปเสียงกลิ่นรสเรากควรที่จะศึกษาพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงมีไม่กี่พระสูตรที่สำคัญสาคัญคื อ, อธรรมจกกักรประวัตนสูตรนี่เป็นพระปฐมเทศนาเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าท่งสอนทางสายกลาง ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มี8มี8องค์ประกอบมีหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปรความดำริความคิดที่ถูกต้องสัมมากรรมโตการกระทาที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้อง สัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามมความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมา ส, สติความระลึกรู้ที่ถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องอันนี้เป็นทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์น่มันเป็น เหมือนกับชิ้นส่วนของรถยนต์จะขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปไม่ได้ขาดแล้วรถันก็วิ่งไม่ได้หรือวิ่งก็วิ่งแบบไม่สมบูรณ์วิ่งแบบไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันต้องมีครบองค์ประกอบเราก็เองมาศึกษาว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีอะไรบ้างก็มีมีสองระดับระดับ ต้นกับระดับปลายระดับต่ํำกับระดับสูงระดับต่ําระดับต้นก็คือบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงทําบุญแล้วไปสวรรค์สวรรค์มีจริงทําบาปแล้วไปนรกนรกมีจริงก็ต้องศึกษาว่าสวรรค์เป็นอะไรอยู่ตรงไหนนรกอยู่ตรงไหน ไปหาสวรรค์บนในอวากาศก็หาไม่เจออันนั้นเขาก็ใช้เขาเขาก็ใช้คำว่าสวรรค์เหมือนกันแต่อันนั้นไม่ใช่สวรรค์ที่เกิดจากการทําบุญสวรรค์ของศาสนาพุทธนะลกของศาสนาพุทธนี่ท่านบอกว่านันล็อกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกใจของเราอยู่ในใจของเรา เวลาทําบุญใจสงบใจมีความสุขนั่นแหละความสุขใจเรียกว่าสวรรค์เวลาทําบุญทําบาปแล้วใจร้อนใจทุกข์นี่เรียกว่านรกหรืออบายี่ต้องเข้าใจของเหล่านี้ก่อนต้องศึกษาเวลาเราลู้แล้วว่าอของพวกนี้มีจริงเราก็ ศึกษาเหตุที่ทําให้เกิดคลองล่านี้ขึ้นมาเราไม่ชอบความทุกข์ร้อนไม่ชอบบาปเราไม่ชอบก็อย่าทําบาปถ้าไม่ทําบาปแล้วใจจะไม่ทุกข์จะไม่ร้อนถ้าชอบให้ใจเย็นสบายมีความสุขก็ทําบุญแล้วบุญกับบาปนี้ก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เราไป ไปสวรรค์หรือไปนรกตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตอนที่ร่างกายตายไปนี้ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วเราก็ฝันฝันดีฝันร้ายหรือไม่ฝันถ้าฝันร้ายก็เป็นนรกนะเป็นอาบายถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์อันนี้ ก็เป็นเหมือนกับช่วงที่เวลาที่เราตายไปเราเวลาตายก็เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่นี่เหมือนนอนหลับเวลานอนหลับเราตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาได้ร่างกายอันเก่าแต่เวลาตายนี้เราเรานอนหลับแต่พอเราตื่นเราจะได้ร่างกายอันใหม่พอเกิดใหม่มาเกิดออ ก, ออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาแล้ ช่วงที่รอรอเปลี่ยนร่างกายอันมานี่ก็เป็นช่วงที่ใจไปสวรรค์หรือไปอาบายช่วงนั้นก็เหมือนกับเราฝันเราฝันว่าเราเป็นเดรัจฉานเราเป็นเปรต เ, เป็นเทวดาเนี่ยแต่เราไม่รู้ชื่อว่าเราเป็นอะไรแต่เรารู้สภาพของจิตใจ ขณะที่เราฝันเนี่ยเราจะฝันว่าเราทำนู่นทำนี่ทำในสถานภาพอันไหน <Years S 2> <า>ทำในสถานภาพของคนมีความสุขหรือทำในสถานภาพข <ๆ S 2> องคนมีความทุกข์มันก็จะฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาเหมือนก็ตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ตื่นกับร่างกายอันเก่าเพราะร่างกายอันเก่ามัน หมดสภาพใช้ไม่ได้ก็เลยมาตื่นกับร่างกายอันใหม่เวลาตายก็เหมือนนอนหลับแล้วเวลาเกิดก็เหมือนก็ตื่นขึ้นมาจากการหลับช่วงที่ช่วงระหว่างที่ตายกับเกิดนี่มันก็เป็นช่วงที่ฝันเหมือนกับนอนเหมือนเหมือนกับฝันช่วงที่ฝันแต่ฝันยาวไม่ฝันสั้นเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับกับร่างกายอันเก่าเนี้มัน ถ้าเรานอนกับร่างกายเก่านี้สี่ห้าชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ไปนรกไปสวรรค์แบบชั่วคราวไปไม่นานเวลาฝันดีก็ตื่นขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเวลาฝันร้ายก็เหงื่อแตกพักขึ้นมาอั น, นั้นแหละแสะดงว่าไปเที่ยวนรกมาแล้วไปเที่ยวอวบายมาแล้ว อาจจะไปเป็นเดราช้านถูกพรานเขาตามล่ายิงตื่นตกใจฝันฝันร้ายตื่นขึ้นมาตกใจเหงื่อแตกพักถ้าฝันดีก็ได้ไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยงามพิสดารตื่นขึ้นมาก็มีความสุขอันนี้แหละคือนรกสวรรค์คือขณะที่เราไม่ได้ใช้ร่างกาย แล้วขณะที่เราไม่มีสติควบคุมความคิดของเราบุญกับบาปก็จะมาเป็นตัวที่จะมาจัดการกับจิตใจของเราให้ได้สัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ที่ดีหรือที่ไม่ดีเหตุการณ์ที่ดีแล้วที่ไม่ดีส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราทําเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีในขณะที่เราตื่นนี่แหละเวลาเราทําบุญนี่เรา ทำเหตุการณ์ที่ดีแล้วใจเราก็เป็นเหมือนกล้องวิดีโอนี่มันก็บันทึกภาพเก็บไว้ในใจเวลาเราไปทําเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็บันทึกภาพของเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่เราทำเนี่ยแล้วเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยภาพของเหตุการณ์ดีและไม่ดีมันก็จะโผล่มาเป็นฝันความฝันขึ้นมาถ้าเราทําเหตุการณ์ที่ดี ก็จะฝันดีถ้าเราทำเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็จะฝันร้ายคนบางคนเน่เวลาใกล้ตายเนี่ยก็เหมือนอยู่ในแดนสมทยาลครึ่งหลับครึ่งตื่นเวลานั้นมักจะเพอ้อบางทีเคยทำบาปทำอะไรไว้มันก็จะเพอ้อออกมาคนที่ทำบุญเขาก็นอนสงบสบายไม่มีอาการเพอร้อ อันนี้เกิดจากบุญกับบาปที่เราทำกันมันยังไม่ได้แสดงผลเต็มที่มันแสดงชั่วขณะตอนที่เรานอนหลับอันนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างยังไม่ใช่เป็นหนังจริงหนังจริงต้องรอตอนที่ร่างกายตายแล้วช่วง น, น, นั้นจะได้ดูหนังจริงดูจนกว่าจ ะ, จะได้ร่างกายใ ห, หม่ก็จะจบ หนังจินก็จะจบพอได้ร่างกายใหม่ก็จะเตินขึ้นมาแล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่มแต่ฤทิสัยความชอบเกิดชอบทาบุญก็จะทำบุญถ้ามีโอกาสถ้าชอบทำบาปก็จะทำบาปถ้ามีโอกาส แล้วถ้าอยู่กับคนที่ชอบทำบุญ <_ an> เขาก็จะดึงเราไปทำบุญถ้าอยู่กับคนชอบทำบาป <_ an> เขาก็จะดึงเราไปทำบาปมันก็จะมีสองอิทธิพลความชอบของเราเองกับบุคคลที่เราอยู่ด้วยเช่น <_ an> พ่อแม่ของเราเนี่ยก็ <_ an> มีอิทธิพลต่อเราตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ย <_ an> เขาเดึงเราไปบวชเนี่ย ถ้าแล้วเขไม่ดึงเราไปเราคงไม่ไปเองแต่ถ้าเขาชวนก็บอกเออดีนะอ ย, งงนอย่างนั้นอย่างนี้พาเข้าวัดพาให้ไปดูสภาพของวัดของพระว่าเป็นอย่างไรเราเห็นแล้วเราก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเราก็บวชแต่ถ้าพ่อไม่ชอบเข้าวัดชอบพาไปเที่ยวาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ปิดเทอมก็อยากจะขอพ่อไปเที่ยว ไปเที่ยวเกาหลีที่ไหนกำลังฮิตก็อยากจะไปที่นั่นนี่บุคคลที่เราอยู่ด้วยก็จะมีอิทธิพลต่อการสร้างบุญสร้างบาปแล้วก็นิสัยของเราเดิมที่ติดมากับเราที่ชอบทำบุญหรือชอบทำบาปมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราทำบุญหรือทำบาปในขณะที่เรามาเกิดใหม่ แล้วก็ตัวที่สําคัญก็คือนิสัยของเราเนี่ยถ้าเรานิสัยชอบทําบาปถึงแม้ว่าพ่อแม่จะชวนให้เราไปทําบุญก็จะทําด้วยความไม่พอใจทําด้วยความฝืนใจแล้วพอโตพอไม่มีใครมาชวนแล้วพอทาเองได้แล้วก็จะไปทําในสิ่งที่ตนเองชอบถ้าชอบทําบาป ถึงแม่พ่อแม่พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กมันก็ไม่มีอิทธิพลพอที่จะล้มล้างความชอบที่เราชอบทําบาปอยู่ก็จะไปทําบาปในทางตรงกันข้ามถ้าชอบทําบุญถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่ไม่ดึงให้เข้าวัดไม่ชวนให้เข้าวัดดึงให้ไปทําอย่างอื่นพอเวลาโตแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ อย่างพระพุทธเจ้านี่เห็นหพระพุทธเจ้าชอบทำบุญชอบบวชชอบปฏิบัติธรรมพ่อไม่ชอบพ่อชอบให้พ่อให้อยู่ในบ้านในเมืองให้ศึกษาวิชาวิชาต่อสู้วิชาทมสงครามเพื่อจะได้เผยขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลแต่พระพุทธเจ้าไม่ชอบพ่อ เป็นตัวของตนเองแล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วทีนี้ก็จะ ต, ตัดสินใจไปในทางที่ตนเองชอบชอบปฏิบัติเพราะอยากจะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายพ่อแม่ดึงพ่อดึงให้อยู่เป็นมหากษศัตริย์ก็ไม่เอามหาจักรพรรดิก็ไม่เอาจะขอไปบวชจะไ่ขอจะไปหาวิธี หยุดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญเก่าที่ท่านทำมามากจนเป็นนิสัยขึ้นมาคนที่มีบาปเป็นนิสัยก็จะไม่ไปบวชมีพระราชาห้ากษัตริย์ในโลกนี้คนไหนไปออกบวชกันนานๆไหมไปบวชกันจริงๆมีไหม เมืองไทยเราก็บวชพอเป็นธรรมเนียมพระเจ้าแผ่นดินเกือบทุกองค์ราชการที่หนึ่งถึงราชการที่9นี้มีประเพณีบวชกันแต่ไม่ได้บวชอย่างแท้จริงบวชเพื่ อ, อเป็นพิธีว่าเพื่อศึกษาทำสอนเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในทางโลกเพื่อที่จะ เป็นคนดีอันนี้ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีบวชเดือนหนึ่งดีกว่าไม่ได้บวชคนที่บวชเดือนหนึ่งนี่ได้เรียนรู้อะไรได้ได้ปฏิบัติได้อะไรที่คนที่ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนจะไม่ได้รู้ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ก็ดีเป็นการเหมือนกับว่าไปเรียนสิ่งที่ดีที่งามแล้วจะได้นําเอามาใช้ต่อไปถ้าใช้ชีวิตก็จะดีจะเป็นคนดี อย่างน้อยก็จะรู้ว่าต้องรักษาศีลห้าต้องไม่ทำบาปต้องทำบุญมีอะไรต้องแบ่งปันกันไม่หวงไม่โลภเก็บเอาไว้ใช้คนเดียวเพราะว่าตายไปยังต้องไปต่อถ้าทำบุญณาบาปได้ก็ไปสวรรค์ถ้าไม่ทำบุญไม่ณาบาปตายไปก็ไปอบาย อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวพุทธเราส่วนใหญ่ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นความเชื่อในระดับต้นระดับต่ำไม่สามารถทําให้รับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาได้ประโยชน์อันสูงสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ความเชื่อในในความมีความเห็นในชั้นสูง ชั้นสูงก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากความอยากของเราเองการเกิดแก่เจ็บตายของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากความอยากของเราสามข้อด้วยกันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศสารเสิร์นอยากไม่ให้ลาบยศสารเสิร์นเสื่อมอันนี้แหละเป็น ตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ความเห็นอีกอันหนึ่งก็คือความเห็นว่าราบยศสรรเสริญนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นทุกข์เวลามันเสื่อมมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มัน จะเรื่ออย่างเดียวไม่ให้มันเสริมได้ถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะมุ่งไปสู่การกระทําที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เมื่อเรารู้ว่าความอยากของเราเป็นต้นเหตุของความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆเหล่า น, น, นี้หยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหยุดการ หาราบยศสรรเสริญก็ไปอยู่แบบนักบวชกันคนที่ไม่หาราบยศสรรเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นรสก็คือคนที่ถือศินแปดหรือศินสองรยี่สิบเจ็ดสิน 7, สิบ น, นี่เขาไม่หาของพวกนี้คนที่บวชนี่เขาไม่ไปหาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราจะหาความสงบ หาสติหาสมาธิหาปัญญาเนี่ยก็จะทำให้เขามีสัมมาสังกโะปโความคิดที่ถูกก็คือคิดที่จะออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายคิดที่จะเลิกหาลาบยศสรรเสริญเมื่อมีความคิดที่ถูกต้องก็จะนำไปสู่การกระทาที่ถูกต้องก็คือไปถือศีลกัน ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่น่วมหลับนอนกับใครไม่ดื่มไม่รับประทานอาหารหนังเที่ยงวันไปแล้วอะไรต่ำต้นี้อันนี้ก็จะเป็นการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องก็จะพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปโกหกคนที่โกหกเพราะมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าพูดความจริงแล้วไม่ได้ก็ต้องโกหกถึงจะได้ผู้ชายไปหลอกผู้หญิงว่าไม่มีไม่มีเมียนี่ก็โกหกเขาแล้วมีเมียอยู่ที่บ้านแต่ว่าไปจีบผู้หญิงใหม่ก็ไปบอกว่าเป็นโสเภผู้หญิงก็เชื่อนี่ก็เรียกว่าพราะมีความอยากอยากได้เมียใหม่อยากได้แฟนใหม่ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่เห็นจะต้องไปโกหกเขา เขถามว่ามีครอบครัวหรือเปล่าก็บอกว่ามีอันนี้ก็นําไปสู่การมีการกระทําที่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องธรามะกินก็จะไม่ไปทําอาชีพที่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อืขายเหล้าขายเบียร์เปิดผักเปิดบาร์เปิดซ่องเปิดบ่อนมันเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่น ตอนเองได้รับประโยชน์บนกองทุกของผู้อื่นก็ไม่ทาอาชีพแบบนี้ถ้าเป็นพระก็อาชีพบิณฑบาตถ้านักบวชก็บวชหาแล้วก็มาเจริญสติสติชอบเป็นไงก็สติให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวอย่าไปอยู่กับหลายเรื่องสมัยนี้เราชอบทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันคิดว่าเก่ง ว่หลังว่าเก่งทำงานสามสอย่างพร้อมกันนี้ว่าเก่งแต่ทางาศาสนากลับว่าไม่เก่งาศาสนาเก่งต้องทำ ง, งานทีละเรื่องเรื่องเดียวอาบน้ำก็ให้อยู่กับเรื่องอาบน้ำอย่าไปคิดวางแผนว่าวันนี้จะไปพบปะกับใครจะไปทำอะไรที่ไหนให้อยู่เรื่องเดียวเพราะการอยู่เรื่องเดียวทำให้จิตมันตั้งมั่นให้นิ่งจิตไม่ลอยไปลอยมา จิตไม่ลอยไปลอยมาจิตสงบจิตก็จะมีความสุขมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนทํางานหาเงินหาทองไปซื้อข้าวของต่างๆไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ความสุขที่ง่ายดายก็ไม่เอากันชอบไปหาความสุขที่ยากชอบไปหาความสุขที่มันลื่นไหลเหมือนปาลาไหลลองไปจับปาลาไหลดูหนะ่ยเดี๋ยวมันก็ลื่ น, นจากมือเนี่ย ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางราบยศสรรเสริญนี่ก็อย่างเี้พอจับมาได้ปับ๊บเดี๋ยวก็ลื่นไปละเดี๋ยวก็หลุดไปละ mm. เดี๋ยวต้องหาใหม่ละไปเที่ยวมาปับ๊บมันก็หายไปละความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปละต้องไปเที่ยวใหม่ละแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันอยู่กับเราถ้าเรามีสติแล้วเราสร้างมันได้รักษามันได้เก็บมันไว้ได้ตลอดเวลา ของง่ายๆกับไม่ชอบทาชอบไปทำของยากกันต้องไปเรียนหนังสือจบปรนญญงปริญญาแล้วก็ไปหางานหาการทาหาเงินหาทองพอได้เงินก็นมาซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างพอซื้อมาแล้วก็ได้ความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็ไม่พออีกแล้วต้องซื้อใหม่อีกแล้วซื้อเพิ่มอีกแล้ว ต้องขยายกิจาการไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคือการศึกษาพัฒนระธ ม, มะเทศนาในพูดยาวเลยนะเราลองศึกษาดูจริงๆแล้วมันยาวคือนอกจากในพระธรร ม, มเทศนาและของพระเจ้าแล้วยังมีคำอธิบายของครูบาอาจารย์ต่างๆเขาเรียกว่ามี อัฏฐกถามีดีกาอะไรที่จะมาะขยายความว่าธรรมทิฐิคืออะไรสัมมาสังกปรคืออะไรถ้าลองศึกษาพระไตรปิฎกแล้วมันจะเพลินมันจะได้ยินได้ศึกษาเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนดังั้นควรที่จะศึกษาจากพระไตรปิฎกสมัยก่อนที่ไม่ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกเพราะว่า ญาตโยมไม่มีการศึกษาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็เลยต้องอาศัยพระผู้ที่เป็นผู้ไปศึกษามาถ่ายทอดอีกทอดหนึ่งแต่การศึกษาของพระมันุู้สึกจะหย่อนยานไปอย่างนี้พระบางทีบวชแล้วก็ไม่รู้ว่ า, าคำสอนต่างๆของพระเจ้าคืออะไรว่ามัวแต่มาทำพิธีกรรมแทนเละ อันนี้บวชก็ไม่ต้องการให้พระศึกษาก็าต้องการให้มีพระรับกิจนิมนต์เพราะญาติโยมเวลาเข้าวัดไปหาเลยไปหาความรู้หรือไปหาพระไปนิมนต์ไปไปฉันที่บ้านนิมนต์พระไปสวดนิมนต์พระไปทําพี่ดีสเคาะสระเคาะ ข, อ, ะ อ, ขออะไรต่างๆนิมนต์พระไปเจมิมไปประพรมน้ํามนต์อย่างนี้ในเสื้อลถใหม่ก็วิ่งเข้าหาพระแล้ให้เจิมให้หน่อย ปาพรมน้ำมนต์ให้หน่อยรถจะได้วิ่งปลอดภัยเราบอกว่าถ้าจะเจอมันต้องเจอมนขับอย่าไปเจมรถรถมันดีอยู่แล้วเขาผลิตมาเขามีมาตรฐานมีคนรับรองประกันคุณภาพอยู่แล้วเขามีการควบคุมตรวจคุณภาพรถนี้มันดีทุกอย่างที่มันชนกันก็เพราะคนขับไม่ดีถ้าจะเจอมันต้องเจอมนขับ เวธีแจมงคนขับก็ไม่ใช่เอาแป้งมาปะที่สีหน้าผากคือสอนให้มีสติเมาแล้วอยากขับอย่ารีบร้อนให้ศึกษากฎจราจรว่าป้ายที่เขาเขียนไว้นะั้นมีความหมายว่าไงห้ามเลี้ยวขวาบางทีก็เลี้ยวอยงนั้น้ามยูเทิร์นก็ยูเทิร์นงนี้มันถึงมุ่นวายขับรถกันเนในเมืองขับกันผิดกฎจราจรแซงซ้ายแซงขวาเนี่ย ซื้อลถแล้วแต่ไม่ไปเรียนกันทําใบกับขี่ก็บางทีก็จ้างก็ทําให้ไม่ได้ทําใบกับขี่ก็ต้องให้ไปสอบให้ต้องไปอ่านหนังสือว่าวิธีขับรถอย่างปลอดภัยขับอย่างไร mm hmm. กฎจราจรก็มีว่าอย่างไรเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ทําอย่างไรเวลาจอดรถให้จอดอย่างไรเขามีสอนหมดนะ่ะแต่คนเราไม่เรียนกันเอง เ็าเรไม่เจอมไม่เจอคนขับเยที่มันชนกันส่วนใหญ่ก็เพราะคนขับนี่แหละไม่เจอมกันไม่รู้จักวิธีขับอย่างปลอดภัยว่าเป็นยังไงเหวี่ยกันนั้นร้อยสี่ิร้อยหกสิบมันมันรู้จะมันจะรีบไปไหนกันแล้วพอมีอะไรตัดหน้าหน่อยมันก็หยุดไม่ไม่ได้ก็ชนกันแล้วก็ตายกันมันมันไม่รู้ว่าเวลาควรจะเร็ว อยู่ตรงไหนเวลาไม่ควรจะเร็วอยู่ตรงไหนถนนเลื่อนฝนตกก็เหยียบกันอย่างนั้นพอเวลาจะต้องเบรกรถทานหานกระเลื่อนชนกันนี่แหละถ้าอยากจะขับรถอย่างปลอดภัยต้องไปเจอคนขับเอาคนขับไปเรียนวิธีขับรถให้ถูกต้องนไปศึกษาวิธีขับรถไปศึกษากฎจราจรต่างต่าง กฎจาราจรนี้ก็มีไว้เพื่อรักษารถยนต์ให้วิ่งอย่างปลอดภัยก็มีป้ายเขียนความเร็วไว้ดูเขารบไว้ตรง น, นี้เขาให้วิ่ง40 <ม>ดันไปวิ่ง80อย่างงี้นี่คือเรื่องของชาวพุทธของพวกเราเนี่ยเราไม่สนใจที่จะศึกษากันอย่างนี้เราเห็นศาสนาเป็นเพียงแต่ ศาสนพิธีมีแต่พิธีเต็มไปหมดเลยเราดูอ่าจประกาศดูเลพิธีพุทธมนตร์เจริญพุทธมนต์พิธีถวายผ้ากระินพิธีนู่นพิธีนี่แต่ไม่มีเขียนไว้ว่าวันนี้ขอมาศึกษาพราะธรรมคําสอนพระเจ้ากันไม่มีใครเรียนหลักสูตรไม่มีใครเรียนพระไตรปิฎกชอบถวายพระไตรปิฎก แต่นวัดไปหมดแต่ไม่มีใครเปิดลองไปดูเดนี่ยพระไตรปิฎกนี่หนังสือใหม่เอี่ยมถวายกี่ปีนี่ใหม่เอี่ยมบางคนไม่รู้เนี่ยทำไบว่าพระไตรปิฎกเป็นอะไรนี่แหละนะถ้าอยากจะได้กินเนื้อก็ต้องมาศึกษาวิธีกินเนื้อว่ากินยังไง ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ถูกคนหลอกเดี๋ยวไปศึกษาคนที่ไม่ดีนแล้วมันหลอกมาพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดมาเดี๋ยวก็จะหลงทางกันถ้าศึกษาพระปฐมเทศนาก็จะรู้แล้วว่าต้องมีมรรคแปดมรรคแบบนี่สำคัญมากนะตอนที่พระเจ้าจะตายเนี่ยมีคนผู้ชายสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคาสอนของใครเป็นคาสอนที่ถูกต้อง อุตจางก็บอกว่าคําสอนของใครถ้าไม่มีมรรคแปก็ไม่ถูกถ้ามีมรรคแถึงจะเป็นคําสอนที่ถูกต้องท่านพูดตรงๆเลยใครไม่สอนใครไม่สอนให้มีสัมมาทิฏฐิไม่สอนให้มีสัมมาสมาธิไม่สอนให้มีสัมมาสติอันนี้ก็อย่าไปเชื่อเลยมัน ต, ต้องมีต้องมีสัมมาสติถึงจะมีสัมมาสมาธิ เมื่อมีสัมมาสมาธิก็จะสามารถที่จะศึกษาให้เกิดสมาธิฏิสัมมาสังคโปรกขึ้นมาได้เนี่ยนี่ประณูดอันหนึ่งแล้วธรรมจากกปะปวัตนสูตรเมารู้แล้วขั้นต่อไปก็จะไปศึกษาวิธีเจริญสติว่าเจริญยังไงเจริญสมาธิฏิเจริญยังไงก็ต้องไปสติปัฏฐานนั่นเนี่ยเนี่ย สติปัฏฐานสูตรนีสอนวิธีเจริญสติสอนวิธีนั่งสมาธินั่งนั่งใต้โคนไม้นั่งขัดบัลลังก์ขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกในสติปัฏฐานสูตรนี่ขั้นแรกก็สอนให้นั่งสมาธิก่อนนนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ ลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจหยาบก็รู้ว่าหยาบให้รู้เฉยๆไม่ให้ไม่ให้ไปบังคับลมไม่ใช่บางคนสอน น, น, สนั่งแล้วต้องสูตรลมนังแรงลุกลึกมอนถึงจะสงบ ก, ก็นี้ก็ผิดแล้วเนี่ยอะไอย่างนี้เขาก็ผิดลวบางคนก็บอกให้ไปดูที่กลางอกยุบหนอพองหนอนน พระพุทธเถ้าเห็นสั้นสอนยุบหน่อพองหน่อเลยสอนให้ดูที่ปลายจมูกดูที่ลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ต้องว่ายุบหน่อไม่ต้องว่าพองหน่อให้รู้เฉยๆเนี่ยมันมาดัดแปลงกันบางคนก็มาสอนพุทธเข้าทออกอีกคนปฏิบัติยิ่งสับสนยิ่งงงไปใหญ่ยิ่งยุ่งยากไปกันใหญ่ของง่ายๆครับทำไปให้มันยากขึ้น บางคนให้มานั่งดูนิ้วมือถ้าเราไม่ไปศึกษาแล้วเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยประสูตอันที่สองต่อจากธรรมจักก็คือสติปทานสูตรเนี่ยถ้าศึกษาปฏิสติปทานสูตรและเข้าใจนี้ก็บายได้แล้วสองสูตรนี้พอแล้วในในการปฏิบัติเนี่ยในสติปทานนี่จะสอนทั้งสติ ให้จารันสติเพื่อเวลานั่งสมาธิจะได้สงบเมื่อสงบแล้วหลังจากออกจากความสงบ ก, ก็จะได้ศึกษาความจริงของร่างกายศึกษาความจริงของเวทนาศึกษาความจริงของจิตของอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไปควบคุม บ, คบังคับมันไม่ได้ทุกวันนี้เราควบคุมไม่3าตัวนี้อยู่รู้เปล่า อ, อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ พะอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์เนี่ยนี่มาศึกษาใสา3ตัวนี้เพื่อให้ปล่อยมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันแก่แน่ๆมันเจ็บแน่ๆมันต้องตายแน่ๆอย่าไปอยากได้ร่างกายของคนอื่นมาเป็นคู่คองเดี๋ยวเขาจากเราไปก็ทุกข์อีกเวลาไม่อยู่ด้วยกันก็ทุกข์อีก อ, อยู่คนเดียวอยู่กับความสงบปล่อยวางอย่าไปเห็นร่างกายว่าของเขาว่าสวยงามต้องเห็นว่าไม่สวยงามจะได้ไม่อยากอย่าไปดูที่หน้าตาอย่าไปดูที่ผ้าผมอยู่ไปดูที่เครื่องนุ่งหมที่เขาใส่ให้เขาไปดูข้างในตับไตไส้พูงเขาดูปอดหัวใจดูตับดูไต ดูสิ่งสุก็ปุกที่เขาขับถ่ายออกมาลองดูสิ่งที่มันไม่น่าดูมันจะได้ดับความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขาได้จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาอย่างลุงปู่ขาวทุกข์ถึงกับอยากจะฆ่าเมียอะไรฆ่ามีเมียเมียไปมีชู้อย่างงี้พอ๋ อ, อไปรู้เขาเนี่แทบจะอยากจะฆ่าเขาเลยพอดีมีสติ ว่าถ้าไปฆ่าเขาเราก็เลวว่าเขา mm hmm. เขาเพียงแต่รับนอนกันเท่านั้นเราถึงไปฆ่าเขาเลยท่านก็เลยเห็นความทุกข์ของการมีการอารมณ์มีการอารมณ์ก็ต้องมีแฟนต้องมีเมียเดี๋ยวถ้าเกิดแฟนหรือสามีหรือภรรยาไปนอนกับคนอื่นเข้าก็พอรู้เข้าก็จะอกอกแตกตายไม่เห็นโทษของการมีการอารมณ์ เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขกันส่งเสริมกันแล้วกอนสมัยนี้เรื่องการอารมณ์เนี่ยส่งเสริมให้มีแฟนกันมีคู่กันมีอะไรกันจัดงานจัดการให้ได้พบปะกันเวลาเจอกันใหม่ๆก็รักกันแล้วเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นคู่คู่มวยไปเดี๋ยวก็กัดกันตีกันในบ้านอ่ะ นี่คือเนี่ยนี่คือปัญญาต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเวลาเจอกันใหม่ๆก็รักกันพออยู่กันสักพักเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเบื่อแล้วก็กัดกันแล้วสอันนี้นี่คือเรื่องของปัญญาให้เห็นว่าร่างกายเวทนาอารมณ์ในใจในจิตเนี่ยมันแปรป่วนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงลง เกิดับเราไปบังคับมันไม่ได้อารมณ์ดีอยากให้อยู่ไปมันก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็อารมณ์ไม่ดีกลับมาละเวทนาความรู้สึกดีเดี๋ยวก็หมดไปละเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็เข้ามาละมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็แก่ลงไปเรื่อยๆเจ็บลงไปเรื่อยๆอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากอย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ท่านเจ้าบอก ใช่ความสุขจากการปล่อยวางเวลาปล่อยวางสิ่งต่างๆแล้วใจมันเบามันสบายมันไม่ทุกข์กับอะไรคนที่มีแฟนกับคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยเป็นยังไงคนที่มีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนเนคนที่ไม่มีแฟนก็ไม่มีความทุกข์กับแฟนแต่ถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์กับความอยากมีแฟน <c oughs> ก็ต้องหยุดความอยากมีแฟนให้ได้ ความอยากมีแฟนก็ต้องเห็นส่วนไม่สวยงามของแฟนเห็นตับไตไส้พุงของแฟนมันก็จะไม่อยากจะมีแฟนนี่คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานสอนวิธีจเจริญสติสอนวิธีนั่งสมาธิสอนวิธีจเจริญปัญญาเพื่อให้ปล่อยวางกายเวทนาจิตด้วยธรรมเรามีธรรมรือเปล่าคือสติเนี่ย พูดชงเจตนี่คือธรรมที่จะมาปล่อยวางกายเวทนาจิตอริยาาสัจสี่เป็นธรรมที่จะทำให้เราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสติปัฏฐานสีนี้หมดเลยวิธีการปฏิบัติสีนสติสมาธิปัญญานี่รวมอยู่ในสติปัฏฐานสีนี้อันนี้แหละเป็นคู่มือของการปฏิบัตินี ถ้าอ่านหนังสืออ่านพระสูตรนี้เข้าใจนี่ไม่ต้องไปหาอาจารย์ที่ไหนปฏิบัติเองได้มันรู้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้ใ น, ในท้ายพระสูตรนี้พระเจ้าบอกเลยว่าใครปฏิบัติตามที่สอนได้นี้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องได้ผลแน่นอน <c oughs> อาสองสูตรนี้ก็เหลือกินนละลองไปศึกษาดู แล้วที่ศึกษาให้เข้าใจแล้วทีนี้จะได้ไม่ต้องมาฟังเทศฟังธรรมนอกจากเอาไปปฏิบัติแล้วไปติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนดังนั้นจนะต้องมาหาพระที่ปฏิบัติแล้วผ่านมาแล้วมีประสบประการแล้วต้องหาโคช้ชละตอนต้นก็ศึกษาจากหนังสือก่อนแต่พอไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสนี่จะตีให้มันดีไม่ดีนี่ต้องมาหาโคช้ชละเพราะโค้ชจะบอกรายละเอียดให้ ในหนังสืออาจจะไม่ละเอียดพอแล้วพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่ควรจะศึกษาก็คือมงคลละสูตรการกระทาที่เป็นมงคลสามสิบแปดประการอยากจะให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีมีความเป็นสิริมงคลให้ศึกษามงคลสามสิบแปดนี้ทาตามคาสอนสาสิบปดข้อนี้ รับรองได้ว่าจะมีแต่ความเป็นสิริมงคลจะนไม่ให้คบคนพาลให้คบคนฉลาดไม่ให้คบคนโง่คนพาลคือคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้คําสอนของพระเจ้าเรียกว่าคนโง่คนที่เก่งจบด็อกเตอร์ก็ยังถือว่าเป็นคนโง่อยู่ในในตามหลักของมงคลระสูตรเพราะคนฉลาดนี้จะต้องรู้เจ็ดข้อด้วยกัน คือหนึ่งรู้เหตุสองรู้ผลสมรู้ตนสี่รู้บุคคล5รู้สังคม6รลู่ประมาณเจรู้กาลเทศะคนสมัยนี้บางทีจบดอกเตอร์มายังไม่รู้จักกาลเทศะยังไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลทาตัวเองวางตัวเองไม่เหมาะสมเจอคนที่เขา สูงต่ำกับเราก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ให้เหมาะสมกับฐานะของคนที่เราไปคบค้าสมาคมด้วยก็ทำให้เรากลายเป็นคนโง่ไปไม่รู้เหตุรู้ผลก็ไม่รู้ว่าบุญบาปอยู่ที่การกระทําของเรานี่แหละคือการกระทาของเราเนี่ยทำดีก็เป็นบุญทำชั่วก็เป็นบาปแล้วผลก็คือเนี่ยตายไปยังต้องไปเกิดต่อ ตรงนี้คนสมัยนี้ไม่รู้หรอกไม่เชื่อหรอกหาว่าเป็นความงมงายเนี่ยลองศึกษาดูสามพระสูตรนี้แล้วเราลองได้ว่าโอ้จะมีความาประทับใจในความรู้ความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองอในโลกนี้ไม่มีใครมีความรู้แบบนี้รู้แบบนี้ เพราะความรู้แบบนี้แล้วปฏิบัติตามได้นี้จะไม่มีความทุกข์ใจเลยถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจใหวันนี้ที่ทุกข์ใจกันไม่สบายใจก็เพราะความอยากของตัวเองสบายใจชั่วคราวอยากสูบบุหรี่พราะสูบแล้วก็สบายแต่ไม่รู้ว่าพอสูบแล้วมันก็ต้องสูบมวนต่อไปเดี๋ยวความอยากสูบมันจะโผล่ขึ้นมาใหม่การทาตามความอยากนี้เป็นการ เลี้ยงความอยากให้มันมีมากขึ้นไม่ใช่ให้มีน้อยลงวิธีที่จะลดความอยากก็คือต้องไม่ทำต่างความอยากทุกครั้งอยากจะสูบบุดรีอยา่าไปสูบมันเดี๋ยวครั้งต่อไปความอยากสูบมันจะเบาลงไปแล้วต่อไปมันก็จะหมดกาลังไปคนที่ก็เลิกสูบบุรีได้เขาเลิกเพราะอะไรเพราะเขาไม่สูบใช่ไคนที่เลิกไม่ได้เพราะเขาสูบมันก็มีอยู่แค่นี้ง่าย ถ้าอยากจะเลิกอะไรก็อย่าไปทํามันสิอยากจะเลิอ ก, อ ก, ก, ก, เลกเหล้าก็อย่าไปดื่มมันเวลาอยากก็ทนเอาถ้าทนไม่ไหวก็มาฝึกนั่งทำสมาธิก็จะช่วยผ่อนได้เยอะถ้านั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ความทรมานเกิดจากความอยากก็จะหายไปแต่ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ไปนั่งสมาธิเสียเดี๋ยวก็เลิกได้ไม่ต้องไปไปเข้า คอร์สเป็นต้องไปไปเข้าสถานบําบัดอะไรต่างๆบําบัดก็บําบัดไม่เป็นบําบัดไม่รู้จักวิธีบําบัดที่แท้จริงบําัดที่แท้จริงต้องเห็นว่าโทษการเดินโซลาร์เป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจและสาเหตุของการเดินโซลาร์ก็คือความอยากดื่มนี่เองเราไปคิดว่าเดินโซลาราแล้วจะบําบัดความทุกข์ความไม่สบายใจได้ พอเวลามีความไม่สบายใจพอดื่มสุราแล้วมันก็ลืมชั่วคราวลืมปัญหาต่างๆไปแต่มันเป็นการลืมชั่วคราวเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวแล้วก็ไปสร้างปัญหาที่ถาวอรอขึ้นมาก็เกิดการติดสุราเวลาไม่สบายใจก็ต้องดื่มสุราดื่มไปยังกระทั่งมันติดพอติดแล้วเวลาจะสบายใจไม่สบายใจก็ต้องดื่มแล้ว พอเวลาไม่ได้ดื่มก็ไม่สบายใจขึ้นมาวิธีแก่คืออย่าไปทำตามความอยากเวลาทรมานจากความอยากก็ไปนั่งสมาธิหัดนั่งสมาธิกันรับรองได้ว่าต่อไปจะเลิกความอยากทุกอย่างได้หมดวันนี้ก็เอาเนื้อหนังแค่นี้ก่อนลองเอาไปศึกษาลองไปอย่างนี้ไม่ต้อง ง่ายเนยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเขียนเนี่ยธรรมจักรกับประวัฒนัสูตรแทนนี้เขียนธรรมจักรมันก็ขึ้นมาแล้วสติปัฏฐานมันก็ขึ้นมาแล้วมงค ล, ลสูตรก็ขึ้นมาแล้วศึกษาพระสูตรสามอันนี้ให้ได้ให้เข้าใจทุกคําพูดทุกคําสอนของพระเจ้าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เสร็จต่อไม่เข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็สายเข้าไปานี้อินเทอร์เน็ตง่ายจะตายไปอยากจ ะ, ะค้นคว้าหาความรู้อะไร คนพานแปลว่าอะไรใส่เข้าไปเลยถ้าไม่เข้าใจคำหมายว่าคนพานใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะมีแปลออกมาให้เราเองทุกอย่างสำไมนี่พวกเราโชคดีจะศึกษาอะไรนี่ง่ายมากขอให้เราฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาทั้งไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้เรียนเองก็ได้ส่วนใหญ่มันจะไปหาเงินมากกว่าหาบ่อนมากกว่าเสิร์ฟบ่อนที่ไหนดีมาตัวไหนดีเลขตัวไหนดี <laughs> ความรู้ความอะไรไม่เอาโห้ย <c oughs> มันนี่หวยออกเนี่ยต้องมาเข้าไป <c oughs> <c oughs> เห็นเแลวว่าตัวไหนดีกัน <c oughs> ถ้าไปแข่งมากก็ไปเสิร์ชดูก่อนมากตัวไหนดีไปสนามบ้าเนี่ยนี่ก็เข้าไปในมือถือได้เนี่ยกดดูเลยว่าตัวไหนดี <c oughs> เราไม่เคยทำเนี่ยแต่เราเดาว่าต้องมีแน่ๆเพราะของทุกอย่างนี่มันใส่ไปในเน็ดหมดแล้วแล้วเน็ดมันก็เร็วหาหาให้ได้อย่างรวดเร็วนะหาธรรมะดีกว่านะลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงถ้ายินดีในธรรมะก็จะได้ธรรมะถ้ายินดีในลาบยศ ส, สรรเสริญก็จะได้ลาบยศสรรเสริญ แต่ก็จะได้ความทุกข์พ่วงมาด้วยถ้ายินดีในธรรมก็จะได้ทำและได้ความสุขพ่วงมา อ, อยากจะได้อะไรก็ลองไปพิจารณาดูเอานะทำแล้ววันนี้ก็ขออนุโมทนาให้พรนะเผื่อคนที่ทําบุญแล้วอยากจะรับพรจะได้กลับบ้านได้อ่าอยากจะถามเลยผมต้องเจอปัญหาว่าบางทีความคิดมันจะเกิดขึ้นมานะฮะแล้ว ความคิดที่มีหนาคืคมิดอักุสสนนะฮะมันเกิขึ้นมาผมอยากจะรู้ว่าเราจะมีธีอะไรที่จะแบบปิดกั้นความคิดที่อักขุสสนใ้เดขึ้นนี่แหละก็ขั้นตอนของขั้นปฏิบัติขั้นต้นก็คือให้หยุดความคิดเนี่ยเขาพุโทโธนี่แหละคือสติแต่เรามีพุโทโธเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้อตอนนี้ความคิดของเรามันเป็นเหมือนกับมันไม่มีเหมือนกับม้าไม่มีคนขับเนี่ยรถไม่มีคนขับมันก็วิ่งไปตามออโต้ของมัน่ะ มันอยากจะคิดเรื่องอะไรมันก็คิดขึ้นมานี่เราต้องหยุดมันเราต้องแมนนวลลวเราต้องหยุดตัวออโต้ละเอาคนขับมาควบคุมความคิดแล้วตอนต้นก็หยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราจะไปควบคุมมันได้ยังไงวิธีที่เมื่อกี้แสดงให้ฟังสติปฐานสีเนี่ยก็คือการจเจริญสตินี่ก็เพื่อมาหยุดความคิดต่างๆให้มันหยุด เวลาไม่คิดไม่ตายหรอกความคิดหยุดนี่เราไม่ตายหรอกอเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือตัวรู้มีสองตัวมีตัวคิดกับตัวรู้สองตัวนี้มันเป็นตัวที่กำกับชีวิตเราที่เราปล่อยให้ตัวคิดเป็นผู้กากับชีวิตของเราคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างแล้วก็ทาตามความคิดชีวิตของเราก็เลยรุ่มๆุมดอนดอน อ่ไปนี้เราจะเอาเราจะขับเองแล้วเราจะคิดเองเราจะไม่ปล่อยให้มันคิดแล้วดังั้นตอนต้นก่อนที่จะคิดเองได้ต้องหยุดมันก่อนหยุดความคิดที่มันคิดของมันเองเราต้องหยุดด้วยการใช้สติวิธีถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างมันขึ้นมาวิธีสร้างสติก็มีหลายวิธีวิธีที่ใช้กันทั่วไปสอนกันทั่วไปก็คือให้บริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ เด่นขึ้นมาเลยไม่ใช่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปเลยหยุดความคิดเลยอย่าให้มันคิดคิดเท่าที่จําเป็นอพอลืมตาขึ้นมาต้องทําอะไรก็ไปทํตาตามที่เราต้องทําลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาต้องไปล้างหน้าอาบน้ําแปรงฟันก็ไปทําขณะที่ทําก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรในควบคุมความคิดด้วยพุโทโธ ถ้าไม่ชอบใช้พุโทโธจะใช้การจดจ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายก็ได้พอลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ดูกำลังลุกเดินก็รูกำลังเดินกำลังอาบน้ำก็รูกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันกาลังล้างหน้าหวีหผมแต่งตัวกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นการบังคับให้มันเฝ้าดู แต่เรามันชอบทํางานหลายอย่างเนี่ยเพราะคิดว่ามันเก่งจะได้ประหยัดเวลาอาบน้ําไปก็วางแผนไปว่าเดี๋ยววันนี้จะไปพบปะกับใครอันนั้นละผิดละตามตามหลักศาสนามันไม่มีสติมันมันอยุดความคิดไม่ได้ปล่อยให้ความคิดคิดไปเราคิดว่าเราคิดคจริงมันคิดมันพาเราคิดเองเพราะมันมีเหตุการณ์บังคับให้ช่วยให้เราคิดเวล่อาทำมากินเราก็ต้องคิดเรื่องหาเงินหาทอง พอตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องรน้าขึ้นมานิวันอะไรต้องไปทำอะไรกับใครนะ่ะมันก็จะคิดไปทางนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะหาเงินหาทองแล้วต้องการหาธรรมะเราก็มาหยุดความคิดกันเพราะธรรมะมันอยู่ที่การหยุดความคิดถ้าเราต้องการความสงบเราต้องหยุดความคิดเมันชีวิตมันถึงพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เรากําลังจะอยู่เทินถ้าเรายังเราต้องการจะมาธรรมะทางธรรมนี่เราก็ต้องอยู turn นะ่เทินแล้วตอนนี้รถเรากําลังวิ่งไปทางใต้ถ้าเราอยากจะไปทางเหนือเราต้องหยุดรถก่อนหยุดแล้วเราก็กลับรถถ้าไม่หยุดรถจะกลับได้ไงเพราะไม่ได้มีที่อยู่เทินเนี่ยมันต้องหยุดรถหยุดรถแล้วก็กลับรถหยุดความคิดที่คิดไปในทางลาบยศสรรเสริญคิดไปในทางหาความสุขต่างๆทางทางร่างกาย ให้หยุดความคิดเหล่านี้พอเราหยุดความคิดได้ใจก็จ ะ, <S <S จ, ะจะว่างแล้วพอเรานั่งเฉยๆมันก็จะสงบเต็มที่ถ้ายังไม่ได้นั่งนี้มันจะสงบแต่ไม่เต็มที่ว่างไม่เต็มที่แล้วอยากจะให้มันสงบให้ว่างอย่างเต็มที่ให้มีความสุขอย่างเต็มที่ต้องนั่งหลับตาแล้วก็หยุดความคิดพอหยุดความคิดความคิดหยุดปั๊บมันจะรวมเป็นหนึ่งเหลือแต่ตัวรู้ตัวคิดจะหายไป เราก็จะเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปหาเงินหาทองพอมันได้ความสุขอันนี้แล้วมันมันก็จะมีกําลังใจที่จะเลิกหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดได้พอออกจากความสุขอันนี้มาออกจากสมาธิมาพอจิตจะคิดไปหาความสุขทางราบยศสรรเสริญก็ใช้ปัญญาสอนว่ากำลังไปหาความทุกข์นะ เพราะมันเป็นปลาไหลมันไม่มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหลุดมือไปอย่าไปหากลับมาหาความสงบดีกว่า mm hmm. ถ้าอยากจะไปกินกาแฟก็กลับมานั่งสมาธิต่อดื่มน้าแล้วก็มานั่งสมาธิต่อเพราะที่กินนี้ต้องการน้าต่างหากร่างกายมันไม่ได้ต้องการรสของกาแฟไม่ต้องการกลิ่นของกาแฟตัวตันหาความอยากต่งหาที่ต้องการลดกลิ่นของกาแฟ อันนี้คือปัญญาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยสู้กับตันหาความอยากอยากปล่อยให้มันพาเราไปทําตามความอยากต่างๆความอยากที่ไม่ดีนความอยากที่ดีเช่นอยากจะนั่งสมาธินี่ดีแต่ความอยากที่ไม่ดีก็3ตัวเนี้ยความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตาอยากมีเกียรติ ความอยากวัานี้ตัดมันไปให้หมดอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากอะไรแต่ถ้าอยากทำบุญอยากนั่งสมาธิอยากไปบวชนี่ไปเลยเป็นความอยากที่ดีถ้าอยากหาธรรมะไปเลยแต่ถ้าอยากจะหาของอย่างอื่นอย่าไปตัดมันให้หมดเพราะมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นมีแต่การหาธรรมะที่เป็นสุขไม่ไม่เป็นทุกข์ วิธีต้องหยุดความคิดไปฝึกน ล, ลองท่องพุโทโธดูให้มันเป็นเหมือนป่าท่องโก้เลยไปไหนไปด้วยกันร่างกายอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่เราใจเราจะไม่อยู่ที่ร่างกายเราใช่ไหมไปอยู่กับคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์ที่เกิดมาแล้วเมื่อวานนี้เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นไปหมดทุกแห่งทุกคนเลยแต่ไม่ยอมอยู่ที่ร่างกายบางทีทําอะไรยังสะดุดล้มได้ ทำอะไผิดพลาดก็เพราะไม่ได้เฝ้าอยู่กับร่างกายตลอดเวลาขับรถที่ชนกันก็เพราะเวลาขับมันไม่ได้อยู่ที่ขับรถมันคุยกันบนมือถือบ้างเปิดดูข้อความบ้างส่งข้อความกันบ้างขับรถไปมันก็ชนกันเลยถ้าอยู่กับร่างกายมันจะปลอดภัยเข้าใจไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหมขอโอกาสครับพ่อครับ เ, เวลาเวลาพิจารณาสภาวะ่า อ, นนอย่างประทิทุบหรือว่าอนิจจานี่มันพอเห็นนะครับแต่ว่าอนัตตานี่เหมือนกับว่ามันยังไม่เคยเห็นมันต้องคิดเอาแล้วก็มันมันไม่เห็นจริงๆรอนัตตา ก, ก็คือธรรมชาติเนี่ยลมเนี่ยเป็นอนัตตาก็ได้ไหมคุณจะบังคับลมได้ไหมสั่งให้มันหยุดได้ไหมนั่นแหละคุณชอบไปบังคับธรรมชาติจะไม่ร่างกายไม่แก่จะให้ร่างกายเวลาเจ็บให้มันหาย มันไปบังคับมันได้ไปสั่งมันได้ไงมันเป็นอนัตตาร่างการนี่มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้แลครับสภาวะนี้มันจริงๆแล้วมันคือมันคือสิ่งเดียวแต่ว่ามันเป็นมุมมองว่ามันเป็นตั้งอนิจจังทุกขาระนาตตาในในในตัวเดียวกันแต่ว่าสั่งมุมมองหรือเปล่าครับมันมีทั้งหมดอ่ะสามตัวนี่มันอยู่ในตัวมันมีสองตัวไอ้ตัวที่สามพวกนี้มันมันอยู่ในใจเราไอ้อนิจจการนาตาเนี่ยอยู่กับลมเนี่ย อันนั้นอันนิจจังแล้วก็พัดเดี๋ยวก็ไม่พัดเยอันนี้จังติดไปเปลี่ยนมาอานัตตาคือไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหยุดไม่ได้เวลามันพัดเวลามันไม่พัดสั่งให้มันพัดก็ไม่ได้อันนี้เรียกว่าอนัตตาที่ทุกข์เพราทุกข์ทุกข์เพราะไปอยากให้มันพัดเวลามันไม่พัดเนี่ยเวลามันพัดอยากให้มันหยุดไปอยากให้มันหยุดก็ทุกข์อีกถ้านมาสอนว่าอย่าไปอยากกับของที่มันเป็นธรรมชาติ เราจะไม่ค่อยทุกกับธรรมชาติใช่ไหมเราไม่ทุกกับพระอาทิตย์ใช่ไหมเพราเราไม่เคยอยากให้มันหยุดหรือไม่ให้มันไม่หยุดใช่ไหมเราปล่อยให้พระอาทิตย์ขึ้นตกไปตามธรรมชาติของเขาแต่ร่างกายของเราเรากลับไม่ยอมปล่อยให้มันขึ้นตกเหมือนอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่ยอมให้มันตกใช่ไหมเกิดแล้วไม่ยอมให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายมันก็เลยทุกข์กันสิก็ใจอย่างนั่นแหละมันมีแค่นี้แหละมันยอเราไป นี้มันหลอกเราไงเพราะร่างกายเราไปใช้มันได้บังคับมันได้บางเวลามันก็เลยคิดว่าจะบังคับมันได้ตลอดเวลาตอนนี้สั่งให้มันมานี่ก็มาได้แต่ถ้าเกิดวันไหนไม่สบายขึ้นมามาได้นะมาไม่ได้นะ้มันต้องมีสักวันที่เราต้องไปเห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายแต่ตอนนั้นมันอาจจะสายไปใชแล้วถ้าเราไม่มาเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเราถึงต้องมาศึกษาล่วงหน้าก่อนว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้แหละ รเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพลาดพาจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้แต่เราไม่จํากันเนี่ยฟังแล้วเหมือนเข้าหูซ้ายออกหูขวากันแล้วก็จะมาบังคับให้มันสาวหนุ่มไปเรื่อยใช่ไหมพอผมดําก็หาวิธีกันใช่ไหมผมขาวก็หาวิธีทําให้มันดําเงี้ยมันก็เปลี่ยนสี เป็นเขียวบ้างแดงบ้างอย่างนี้มีทุกสีเลยมันจะได้กบความแก่ไปเท่า น, นั้นแหละเวลาเจ็บก็อยากจะหาหมอหมอเก่งๆรักษาปุ๊บหายปั๊บเลยไม่อยากจะเจ็บนานโลกบางโรกมันก็หายบางทีก็มันก็ไม่หายอันนี้เราไม่เห็นหน้า ต, ตาในสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีของที่เป็นอัตราผสมกันมา ต, ตอนนี้เราคุมมันได้แล้าก็คิดว่ามันเป็นของเราตัวเราเนเดี๋ยวถึงเวลาที่เราคุมไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราที้เราจะรู้แล้วว่ามันเป็นอนัตตาแต่เราจะไม่รู้จักวิธีทาใจและแเราต้องหัดมาทาใจให้ต่อตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นอนัตตาอย่าไปยุ่งกับมันก็ดูแลพอประมาณพอให้มันอยู่ได้ก็พอมันกินข้าวมีที่อยู่อาศัายหลับนอนพักผ่อนไป ส่วนอะไรที่มันสุดวิสัยก็อย่าไปอย่าไปกังวลกับมันเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติสิ่งใดที่เป็นเหตุสุดวิสัยนี้เราถือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราไม่ยอมให้มันเป็นธรรมชาติเวลาตลาดตลาดหุ้นลงนี่ก็ไม่ยอมให้มันลงกันเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเี่ยตลาดหุ้นมันก็เป็นธรรมชาติเห็นไหมมันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมน้ําก็มีขึ้นมีลง น้ำทะเลมีขึ้นมีลงธรรมชาติมีใครไปสั่งให้น้ําทะเลไม่ขึ้นไม่ลงไหมตลาดหุ้นมีใครไปสั่งไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันลงได้ไหมมันก็ขึ้นลงของมันอย่างนี้แต่ทำไมไปทุกข์กับตลาดหุ้นแต่ทำไมไม่ไปทุกข์กับทะเลน้ําทะเลเวลาน้าทะเลลงไม่เห็นมีใครโวยวายบน่นเพราะเราไปฝากความสุขความทุกข์ของเราไว้กับหุ้นไง พอหุ้นขึ้นก็โอ้โสุกกันใหญ่ดีใจกันใหญ่พอหุ้นลงก็โอโ้เสียใจกันใหญ่อย่ไปฝากความสุขความทุกข์กับในสิ่งที่มันขึ้นขึ้ น, นลงลงพุทธเจ้าบอกให้ฝากอยู่กับความสงบตัวเดียวฝากอยู่กับธรรมแล้วจะปลอดภัยอยากจะฝากเงินธนาคารก็มาฝากธนาคารรม <c oughs> ธานาคารของพระุทธเจ้านี้ปลอดภัยไม่มีศูนย์ ถ้าธนาคารอื่นที่ศูนย์หมดเพราะทุกธนาคารมันต้องมีวันสักวันที่มันจะต้องล่มมันต้องจบอเดินเราเป็นผู้ฝากก็ต้องจบซะก่อนพอเราตายไปเงินที่ฝากไว้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่เลยเป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นไปซะละเนี่ยคาว่าไม่เทีย่ยงเข้าใจารย์นะคำว่เ า, าเรา ควบคุมบังคับมันไม่ได้อนัตตาแปลว่าอนัตตาก็คือไม่มีใครที่จะมาบางับางคับมันสั่งมันมันเป็นธรรมชาติเรียกว่าอนัตตาไม่มีใครไม่มีตัวตนมาบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ศาสนาบางศาสนายังบอกมีพระเจ้ามาบังคับมาสร้างโลกอันนี้ก็โมหะอวิชัยนะ ไม่มีใครสร้างโลกไม่มีใครมาสร้างมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันสร้างของมันขึ้นมาเองมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลามันมันเจอกันแล้วมันก็จะมาเกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาเห็นไหมพอน้ําตกลงบนในดินดินมันก็โผล่เป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้ก็มีหลายชนิดเพราะต้นเหตุที่ทําให้ต้นไม้เป็นชนิดนั้นชนิดนี้มันก็มีต่างกันไป มันขึ้นไปสักพักเดียวมันก็ตายลงมามันก็กลับมาเป็นดินใหม่มันก็วนไปเวียนมาอย่างนี้แต่เราอยากให้มันขึ้นอย่างเดียวอยากให้มันอยู่อย่างเดียวไม่อยากให้มันเสื่อมไม่ให้มันหมดพอมันเสื่อมล้วก็เลยทุกข์กันมาแก้ความทุกข์ที่ใจเราพระเจ้าบอกอย่าไปแก้ที่ธรรมชาติแก้ไม่ได้ธรรมชาติโลกนี้สักวันนึงก็ต้องพังไปมันก็อนิจจังเหมือนกัน ตรงนี้ต่อไปอาจจะเป็นเหมือนดาวอังคารหรือเป็นด ล, ลงจันทร์ก็ได้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่เพราะถ้าวันหนึ่งมันอาจจะตายหมดทุกอย่างมันอาจจะบรรยากาศมันอาจจะหมดอากาศมันจะหมดเพราะไม่มีอากาศแล้วจะอยู่มันยังไงล่ะถ้วเกิดมีความร้อนใกล้ดวงอาทิตย์เข้ามาหน่อยมันก็เผาหมดแล้วเผาทุกอย่างที่เป็นอยู่นี่กลายเป็นดินไปหมดเนะยิ่งอย่าไปยุ่งกับธรรมชาติ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเมดแม้แต่ร่างกายเรานี่ก็เป็นธรรมชาติที่เราทุกเพราะเราเราไปยุ่งกับธรรมชาติเราคิดว่าเราเก่งกว่าธรรมชาติเราคิดว่าเราจะควบคุมบังคับสั่งให้ธรรมชาติเป็นไปตามความต้องการของเราได้พอไม่ได้เป็นก็เสียใจกันพอตายจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันอ่ามีใครอยากถามไหยไม่มีจะให้ทําถามที่บ้านบั่งนะอ่า เอาเลยคําถามจากคุณอนเทพลักษณะของส ก, กายะทิฏฐิเป็นอย่างไรครับเนี่ยครับพูดการที่บายเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวเราไม่มีของเราใช่ไหมคําถามจากคุณลูจิลาอยากทราบว่าการที่เราทําบุญถวายพัฒนาฐารพระทุกเดือนติดต่อกันโดยนิมนต์มาฉันที่บ้าน แต่ทําไมลูกยังต้องเจอแต่อุปสรรคคะสวดมนต์ไหว้พระบ้างทําวัดเช้าบ้างถือศีลบ้างแต่ทําไมชีวิตไม่ราบรื่นลูกควรทําอย่างไรดีคะก็เหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารวันนี้เราจะให้มันออกดอกวันนี้มันไม่ได้หรอกอยากจะได้ดอกผนก็ต้องรอปีหน้ามาให้มันครบเวลาก่อนครบกําหนดก่อนทำบุญชาตินี้ก็ไปรอรับผลชาติหน้าชาตินี้ก็ใช้กรรมของชาติก่อน คำถามจากคุณละเวงกับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องขันห้าส่วนที่เป็นนามมีอาการ4ี่อย่างมีการทํางานเพราะยึดลูกเพื่อลูกใช่ไหมคะไม่หรอกขันสี่นี้มันทํางานไปตามธรรมชาติของมันมันมีหน้าที่ของมันเวลามีรูปมาให้มันรับรู้มันก็จะมีสัญญาก็ามาดูว่ารูปนี้คือรูปอะไร มันมีความจํำว่ารูปนี้กับรูปที่เราจํานี้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันก็จะรู้ว่าอ๋อในนี้คือรูปคนนี้คือในกอในขอขึ้นมาถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีในในข้อมูลของเราเรากร็ว่าคนนี้เราไม่รู้จักสัญญามันทนาํางานพอไม่รู้จักมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาต่างกันถ้าคนรู้จักก็อาจจะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นคนดี คนทำประโยชน์ให้กับเราพอเห็นเขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าไปเจอคนที่เขาทําให้เราทุกข์พอเจอเขาเราก็จะเกิดความไม่สุขใจขึ้นมาความไม่สบายใจขึ้นมามันเป็นการกระทําของของทําหน้าที่ของมันให้ให้ให้จิตรับรู้ให้ใจรับรู้ใจเหมือนคนตาบอด ใจต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวบอกว่ากําลังเจออะไร <c oughs> กําลังมีอะไรอยู่พอเห็นรูปพอได้ยินเสียงสัญญามันก็จะมาเช็คทันทีว่าเป็นเสียงใครว่ารูปของใครว่าแล้วถ้ารู้ว่าเป็นใครก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่รู้ก็อาจจะเฉยเฉยเวทนาเพราะไม่รู้ว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีแล้วพอเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็เกิดสังขารความปรุงแต่ง สุขก็เชิญเข้ามาสิเข้ามาเลยถ้าทุกข์ก็ไม่ว่างไปไ ป, ไปที่อื่นคิดสังขารก็คิดปรุงแต่งไปนี่คือการทํางานของนมามขันเวลาที่ตัววิญญาณก็เป็นตัวรับข้อมูลเข้ามาวิญญาณก็มีห้าทางใช่ไหมจากขวาวิญญาณก็รับมาทางตาโสตาวิญญาณก็รับมาทางหูตรงนี้ก็รับทำต่างคนต่างทําหน้าที่กัน ปัญญาเป็นผู้รับข้อมูลรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้สัญญาเป็นผู้แยกแยะว่าเป็นอะไรเป็นใครแล้วก็พอแยกแยะแล้วกเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาต่อรูปเสียงกลิ่นรสแล้วพอเกิดเวทนาก็เกิดสังขารว่าจะปฏิบัติกับเวทนากับรูปเสียงกลิ่นรสนี้อย่างไรอย่างเชตอนนี้ฝนตกมันบอกเราให้กลับบ้านดีกว่าเว้ยไปได้แล้วเนี่ย มาพายุมามันมาเร็วนะมาปุ๊บมาเลยเนี่ยอ่ะไปก็ดีจะได้ไม่เปรียบเดี๋ยวมันอาจจะติดก็ได้เดี๋ยวนี่อาจจะเป็นลูกแรกมามามาเตือนก่อนก็ได้ฉันจะมาแล้วเนะี่ยถ้าตกก็คุยกันไม่ได้อยู่ดีกลับกันดีกว่านะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาแล้ะ